จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากราุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพห้ารเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำภารกิจทางด้านจิตใจเพราะชีวิตของพวกเรานั้นมีอยู่สองส่วนด้วยกัน <c oughs> คือมีร่างกายและมีจิตใจตลอดระยะห้าวันที่ผ่านมาเราก็ใช้เวลาไปกับการําทำภารกิจเกี่ยวกับร่างกายคือเราต้องหาปัจจัยสี่ มาเลยงดูร่างกายให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีอาหารรับประทานให้มีเครื่องนุงน่งห่มไว้สวมใส่ให้มีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนดบภัยต่างๆและมียารักษาโรคไว้รักษาเวลาเจ็บไข้หน่าป่วยร่างกายของเราจึงอยู่กันได้อย่างปกติสุข ส่วนจิตใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายเช่นเดียวกันที่จำเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคแต่ปัจจัยสี่ของจิตใจนี้ต่างไปกับปัจจัยสี่ของร่างกายเช่นอาหารของจิตใจนี้ไม่ได้เป็นอาหาร ขาวหวานอย่างที่ร่างกายรับประทานหลายอาหารของจิตใจก็คือบุญที่เกิดจากการทำทานนี่เองการทำทานแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิกใจมีความสุขใจเหมือนกับได้รับประทานอาหารนี่คืออาหารของใจก็คือการทำทานส่วน เครื่องนุ่งห่มของจิตใจก็ไม่ใช่เสื้อผ้าผารอนที่ร่างกายสวมใส่แต่เครื่องนุ่งห่มของจิตใจก็คือศีลธรรมความดีงาม น, นั่นเองเช่นมีการมีศีลห้ามีศีลแปดนี้จะทำให้เป็นที่น่าเชื่อชูหน้านาคบคาสมาคม นายกย่องสรรเสริญความสวยงามของจิตใจต่างกับความสวยงามของร่างกายความสวยงามของร่างกายก็คือเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องสอามางต่างๆวม่มามามาเสริมความงามแต่ความสวยงามของจิตใจก็คือศีลธรรมเช่นศีลห้าศีลแปศีลสิศีลสองร้ ผู้ใดมีความสวยงามทางกายแต่ไม่มีความสวยงามทางจิตใจก็จะไม่เล็ดไม่เป็นผู้ที่มีคนชื่นชมยินดีเคารพนับถือในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่มีความสวยงามทางร่างกายแต่มีความสวยงามทางจิตใจกับมีผู้เคารพนับถือยกย่องสรรเสริญเชิดชูบูชา อย่างพระพุทธพระพุทธเจ้าพระหลานตสาวหรือพระภิกษุที่บวชอยู่ในโบสถของ พ, พุทธศาสนารูปร่างหน้าตาท่านไม่ได้สวยงามอะไรผมเผ้วท่านก็ไม่มีเสื้อผ้าปอนก็เป็นผ้าธรรมดาไวุ้ห่มปกปิดร่างกายแต่ท่านกลับมีผู้มีให้ความเคารพนับถือมีผู้ที่ ชอบอยากจะเข้าหาคบค้าสมาคมด้วยเพราะท่านมีศีลธรรมท่านมีความซื่อสัตย์สุดจริญท่านไม่เบียดเบียนผู้อื่นท่านมีแต่สงเคราะห์มีแต่ให้บุคคลที่มีแต่ให้ไม่มีการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นจะเป็นบุคคลที่ มีผู้คนอยากจะคบค้าสมาคมยกย่องสรรเสริญกราบไหว้บูชานี่คือเครื่องนุ่มห่มของจิตใจส่วนที่อยู่อาศัยของจิตใจก็ไม่ใช่เป็นบ้านอย่างที่ร่างกายอยู่กันที่อยู่อาศัยของจิตใจก็คือความสงบที่เรียกว่าสมาธิ สมาธินี้เป็นบ้านของจิตใจเวลามีความวุ่นวายใจถ้าเข้าไปในสมาธิได้ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปความเย็นใจความสบายใจก็จะกลับคืนมานี่คือที่อยู่ของจิตใจไม่เหมือนกับที่อยู่ของร่างกายร่างกายนี้เวลาแดด ฝนตกแดดร้อนก็หลบเข้าไปอยู่ในบ้านแต่จิตใจนี้เวลารุ่มร้อนจิตใจนี้ถึงแม้จะหลบเข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศเข้าไปอยู่ในมหาราชวังเข้าไปอยู่ในขราราชการใหญ่โตก็จะไม่สามารถดับความวุ่นวายใจความรุ่มร้อนของจิตใจได้เพราะภาษาราชวังข้าราชกา นี่ไม่ได้เป็นที่หลบภัยของจิตใจที่หลบภัยหลบความวุ่นวายใจก็คือสมาธิต้องเข้าไปในสมาธิใจถึงจะสบายใจถึงจะเย็นแล้วก็ยารักษาของร่างของจิตใจก็ไม่เหมือนกับยารักษาของร่างกายร่างกายเวลาไม่สบาย เราไปหาหมอหมอให้ยามารับประทานรับประทานยาไม่นานโาครคภัยไข้เจ็บก็หายไปแต่เวลาจิตใจมีโรคภยัยโรคของจิตใจคืออะไรก็คือความทุกข์ต่างๆนี่เองความทุกข์ใจวุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับความหวาดกลัววิตกกังวลห่วงใยกลุ่ม อ, อกกลุ้มใจนี่เป็นโรคของใจ ที่ยารักษาโรคของทางร่างกายไม่สามารถที่จะมารักษาได้ต้องอาศัยยาของจิตใจยาของจิตใจก็คือธรรมโอสถคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียเรียกว่าปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราจะสามารถแก้ความทุกข์ใจต่างๆได้เพราะ เหตุที่ทําให้ใจของเราทุกขที่เป็นเหมือนเชื้อโรคที่ทําให้ร่างกายไม่สบายนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วและทรงค้นพบยาที่จะมาบําบัดเชื้อโรคกําจัดเชื้อโรคที่สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจเชื้อโรคที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือกิเลสตัณหาความอยากความโลภ ต, ต่างๆนี่ เวลาเราเกิดความอยากแล้วพอเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าเราอยากจะหายแทนที่เราจะทําตามความอยากเราควรที่จะหยุดความอยากวิธีจะหยุดความอยากก็ต้องนํายาของพระพทเจ้าเข้ามารักษายาของพพุทธเจ้าก็คือ อนิจจังทุกขังอนัตตานี้เองขอให้เราระลึกถึงอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอนัตตาความที่ไม่มีอะไรเป็นของเราที่เราไม่สามารถไปสั่งไปห้ามให้เป็นไปตามความอยากของเราได้ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเราไม่ยึดติดเราไม่มีความอยากกับสิ่งต่าง ใจของเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเราก็จะอยากให้สิ่งต่างๆเที่ยงอยากให้สิ่งต่างๆเป็นของเราไปตลอดไม่ว่าเราจะได้อะไรมาเราจะอยากให้อยู่กับเราเป็ น, นานๆไม่อยากให้จากเราไปเราอยากจะให้เป็นไปตามความต้องการของเรา อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่เวลาไม่ได้เป็นดังใจอยากใจของเราก็ทุกขขึ้นมาดังนั้นเวลาที่เราเกิดความทุกข์ใจถ้าเราระลึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เราก็จะรักษาความทุกข์ใจได้เช่นเราอยากให้แฟนรักเราแล้วเขาไม่รักเราเขาไปรักคนอื่น เราก็เลิกรักเขาเสียก็หมดเรื่องเขาไม่รักเราก็ปล่อยเขาไปเขาอยากจะรักคนอื่นก็ปล่อยเขาไปเพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะรักเราไปได้ทุกวันตลอดเวลาเขาเคยรักเราแต่วันนี้เขาเบื่อเราแล้วเขาอยากจะไปรักคนอื่นเราอยากจะให้เขารักเราต่อก็แสดงว่าเราไม่เห็นอนิจจ์เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เราอยากจะให้เขารักเราไม่จากเราไปไม่ไปอยู่กับคนอื่นก็ <c oughs> แสดงว่าเราไม่เห็นอนัตตา <c oughs> เราไม่เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นของเราถ้าเขาเป็นของเราเขาก็าต้องอยู่กับเราต่อไปแต่นี่เขาจะไปแล้วหรือเขาไปแล้วก็แสดงว่าเขาไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราเอาอนิจจังทุกขังอนัตตามาสอนใจได้เราก็เลิอกอยากได้ หยุดความอยากให้เขาอยู่กับเราหยุดความอยากให้เขาเป็นของเราไปตลอดได้พอเราไม่มีความอยากเขาอยากจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนเขาไม่อยู่กับเราเราก็ไม่เดือดร้อนนี่คือยารักษาโรคใจเรียกว่าธรรมโอสถหรือปัญญานี่แหละคือปัจจัยสี่ประการด้วยกันของจิตใจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แก่พวกเรามา สร้างกันขึ้นมาเพราะถ้าเรามีปัจจัยสี่ของจิตใจแล้วจิตใจของเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่วิตกกังวลไม่หิวโหวยการที่เรายังหิวยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่ง น, นี้อยู่เพราะใจเราไม่มีอาหารถ้าเหมือนกับร่างกายถ้าร่างกายไม่มีอาหารร่างกายจะเป็นยังไง ร, ร่างกายก็จะหิว เวลาหิวแล้วเราไปไปทำอย่างอื่นมันจะมาดับความหิวขอ ง, ของร่างกายได้หรือเปล่าเช่นเวลาหิวเราก็ไปไปออกกำลังกายไปวิ่งไปนอนอย่างนี้มันทำให้ความหิวหายไปได้หรือเปล่าเวลาร่างกายหิวก็ต้องมีอาหารรับประทานถึงจะหายหิวอันใดเวลาจิตใจมีความหิว ก็ต้องทำบุญทำทานกันอย่างที่ญาติโยมมาทำบุญทำทานกันในวันนี้ทำแล้วก็จะทำให้จิตใจมีความอยากน้อยลงมีความโลภน้อยลงมีความอิ่มใจสุขใจเพิ่มมากขึ้นไปนี่คืออาหารของใจการทำทานนี่เรียกว่าเป็นการให้อาหารแก่จิตใจและทานนี้ก็มีอยู่ หลายชนิดด้วยกันชนิดที่เราทำกันอยู่เป็นประจำเรียกว่าวัตถุทานคือให้สิ่งของเช่นหอาหารข้าวหวานเครื่องใช้ไม่สอยอย่างที่ญาติโยมได้มาให้กันในวันนี้ญาติโยมก็นาเอากับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานของจำเป็นต่อการดำรงชีพมาให้กับพระภิกษุสามเณร พระภิกษุก็จะได้รับการบรรเทาความความขาดแคลนเพราะถ้าไม่มีร่างกายไม่มีอาหารรับประทานไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายก็จะต้องเดือดร้อนจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะต้องตายไปในที่สุดการที่ญาติโยมเอาอาหารข้าวหวานมาให้ก็เท่ากับเอา ความสุขมาให้กับพระภิกษุการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่แหละจึงทำให้เราได้รับความสุขกับคืนมาการให้ความอิ่มแก่ผู้อื่นเราก็จะได้รับความอิ่มกับคืนมานี่เป็นกฎแห่งกรรมนี่สิ่งที่เราให้กันเป็นปกติส่วนใหญ่ก็ให้วัตถุทานกันเพราะเป็นของที่เรามีกันแต่ถ้าสมมุติว่าเรา เป็นคนยากจนไม่มีข้าวของที่จะให้แต่เรามีวิชาความรู้เราก็ให้วิชาความรู้ก็ได้เรียกว่าวิทยาทานเช่นเรามีความรู้วิธีทำกับข้าวเราก็ไปสอนคนที่เขาไม่รู้จักทำกับข้าวโดยที่ไม่เก็บเงินเก็บทองเขาก็จะได้รับความรู้เพื่อที่เขาจะได้นำเอาไป ใช้ในการทำมาหากินได้เขาก็ได้รับประโยชน์ได้ความสุขได้ความอิ่มจากเราเราก็จะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขกลับคืนมาทานอีชนิดหนึ่งที่เราให้ได้ถ้าเรามีก็เรียกว่าธรรมทานการให้ธรรมะให้คําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้จะทําให้ผู้ที่ ได้รับนี้จะรู้จักวิธีดำเนินชีวิตที่จะทำให้จิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุขก็คือจะได้รู้ว่าปัจจัยสี่ของจิตใจมีอะไรนั่นเองมีทานมีสีง ม, มีสมาธิมีปัญญาถ้าเขานำเอาไปปฏิบัติได้เขาก็จะมีความล่มเย็นเป็นสุคนี่ก็เรียกว่าการให้ธรรมะ ถ้าเราไม่มีธรรมะในใจเราก็เอาธรรมะที่อยู่นอกใจก็ได้เช่นเราอ่านหนังสือธรรมะดีๆแล้วเราเห็นว่ามีคุณมีประโยชน์เราก็ให้คนอื่นไปหลังจากที่เราอ่านเสร็จแล้วเราไม่จาเป็นจะต้องเก็บเอาไว้เราก็เอาไปให้คนที่เขาไม่มีได้อ่านพอเขาได้อ่านแล้วเขาก็จะได้รับประโยชน์ได้รับความสุข นี่คือเรื่องของทานที่เราควรจะทํากันอย่างสม่ําเสมอทาเหมือนกับการรับประทานอาหารเรารับประทานอาหารทุกวันวันละสา ม, มื้อการทําบุญเราก็ควรจะทําทุกวันถึงแม้จะไม่สามมือ้อก็อย่างน้อยวันละครั้งก็ยังดีทํามากทําน้อยก็ได้ทําทีละบาทสองบาทก็ได้ดีกว่าไม่ทําเลยมีมากก็ทํามาก ทำให้มันติดเป็นนิสัยแล้วมันจะทำง่ายถ้านานๆทำทีนี้มันจะทำยากแล้วใจของเรานี้จะมีแต่ความหิวโหวยแล้วถ้าเราเกิดตายไปเราก็จะไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณไปเกิดเป็นขอทานในโลกทิพย์แทนที่จะไปเป็นเศรษฐีในโลกทิพย์เราก็จะไปเป็นขอทานถ้าเป็น ถ้าเราทำทานอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะเป็นเศรษฐีในโลกทิพย์เศรษฐีในโลกทิพย์ก็คือพวกเทวดาทั้งหลายนี้ส่วนขอทานในโลกทิพย์ก็คือพวกเปรตนี่พวกเปรตที่กำลังรอรับส่วนบุญของพวกเราอยู่เดี๋ยวเวลาเวลาพระให้พรพวกเราก็กวดน้ําอุทิศบุญให้แก่พวกเปรตนี้นั่นเองเพราะมีพวกเดียวเท่านั้นที่จะ มารอรับส่วนบุญอันนี้ถ้าไปเป็นเดรัจฉานเขาก็ไปหากินของเขาเองได้เช่นเป็นสุนัขเป็นแมวเขาก็ไปหากินของเขาเขาไม่มารอรับส่วนบุญถ้าไปตกนรกก็เหมือนคนติดคุกติดตรารงออกมารับไม่ได้ถ้าเป็นเทวดาก็ไม่ต้องมารับเพราะเป็นเศรษฐีมีบุญมีความอิ่มมีความสุขอยู่ก็ลหาสอันใหญ่โต กินอาหารระดับห้าดาวใช้เสื้อผ้าระระดับ5้าดาวก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของผู้ที่จะอุทิศไปให้ถ้ามีคนอุทิศไปให้ก็จะอนุโมธนาขอบใจแต่จะไม่ยินดีร้ายกับบุญที่อุทิศไปเพราะเหมือนกับเอาเงินที่จะให้ขอทานไปให้เศรษฐี เศษฐีเขาก็ขอบใจแต่เขาก็ไม่ยินดียินลเพราะเขามีมากกว่าต้องหลายร้อยหลายพันเท่าแต่เขาก็จะสำนึกในบุญคุณสานึกในน้ำใจของเราเขาก็จะขอบอกขอบใจเราเช่นเวลาเราทิศบุญไปให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้าผู้ที่ร่วงรับนี้เป็นเทวดาเขาทราบข่าวเขาก็จะอนุโมทนา ชื่นชมยินดีกับความปรารถนาดีกับความเมตตาของเราแต่เขาไม่เดือดร้อนเขาไม่บุญที่เราส่งไปให้ฉะนั้นไม่ไม่ได้มีผลอะไรมากมายต่อการอยู่ของเขาเพราะเขามีมากกว่าที่ส่งไปให้หลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกันเพราะเขาเป็นเศรษฐีบุญเพราะขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาทำบุญเป็นประจำทำทุกวัน อย่างชาวบ้านของของเราี้เมื่อก่อนจะมีธรรมเนียมใส่บาตรทุกวันเพราะในแต่ละหมู่บ้านจะมีพระวิวัฒ์ไปบินตบาตกันเป็นประจำแต่ในสมัยนี้บ้านเมืองเจริญเติบโตใหญ่โตจนกลายเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่บางทีก็จะไม่มีพระไปบินตบาตญาโยงเลยไม่มีโอกาสได้ ทำบุญกันแต่ถ้าเราอยากจะทำบุญถึงแม้ว่าจะไม่มีพระมาบิณฑบาตเราก็สามารถทำได้ด้วยการเอาเงินที่เราจะไปซื้ออาหารใส่บาสนี้แยเกเอาไว้ส่วนหนึ่งเอาใส่กระปุกใส่กระป๋องมาไว้ใส่ทุกวันวันละหบาท1ิบบาทสำหรับเป็นค่าอาหารใส่บาสนะพอเวลาที่ มีโอกาสไปวัดเราก็เอาเงินนี้ไปถวายวัดก็เท่ากับเราได้ทำบุญทุกวันหรือถ้าเกิดมีมีมีงานบุญเกิดขึ้นมีทางวัดมีการอบอกบุญให้มาร่วมสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างเจดียเราก็จะได้มีเงินทำบุญได้เพราะถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของ ไปเที่ยวไปกินไปดื่มที่ยิ่งกินยิ่งเที่ยวก็ยิ่งอยากจะกินยิ่งอยากจะเที่ยวก็เลยจะทําให้เราไม่มีเงินเก็บไว้ทําบุญพอเวลาถึงเวลาควรจะทําบุญก็ไม่มีเงินทําบุญแล้วเวลาตายไปก็จะต้องไปเป็นขอทานทั้งๆที่ไม่มีเจตนาที่ไม่ทําบุญเพียงแต่ว่าไม่บังคับตัวเองให้ทํามัวแต่คิดว่าเดี๋ยวถึงเวลาคขาให้ท แต่พอถึงเวลาก็ไม่มีเงินจะทำดังนั้นเราต้องทําแบบนี้ต้องบังคับเหมือนกับเราบังคับเราให้กินข้าวทุกวันกินวันละสามเวลาถึงเวลากินถึงแม้ไม่อยากจะกินก็ยังต้องฝืนกินใช่ไหมเพราะกลัวว่าถ้าไม่กินแล้วเดี๋ยวมันจะหิวมันจะทรมานถึงแม้ว่ากินแบบไม่หิวกินอยากแบบไม่อยาก ก็ยังดีกว่าไปทรมานตอนที่มันหิวชั้นใดเราก็ต้องบังคับตัวเราเองให้ทำบุญทุกวันให้ได้ทำทานทุกวันให้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่อยากจะทำหรือไม่มีพระมาะให้เราใส่บาตเราก็ต้องทำให้ได้ต้องบังคับตัวเราคิดว่าเป็นการให้อาหารกับใจของเราเพื่อใจของเราเวลาตายไปจะได้ไม่ไปเกิดใน อบายไม่ไปเป็นไม่ไปเป็นขอทานในโลกที่ให้ไปเป็นเศรษฐีให้ไปเป็นเทวดานี่คือการทำทานขอให้เราพยายามทำฝึกให้เป็นนิสัยเพราะถ้าเป็นนิสัยแล้วมันจะง่ายทำทุกวันคนที่ทำทุกวันนี่คนใส่บาตรทุกวันวันไหนที่มาไม่ทานพระนี่บางทีเขาต้องขับรถมาที่วัดมาใส่ที่วัดแทน เพราะเขาเคยใส่ทุกวันพอเขาไม่ได้ใส่เขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้กินข้าวขาดอาหารเหมือนกับญาติโยมที่มาทําบุญเป็นประจําทุกเสาร์วอาทิตย์หรือทุกวันพระนี่ก็เหมือนกันก็เวลาวันไหนไม่มาจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปจึงพยายามมากันอยู่เป็นประจําถ้าทําอย่างนี้ได้เป็นประจํารับรองได้ว่าตายไปจะไม่ไปเป็น ขอทานในโลกทิพย์อย่างแน่นอนจะไปเป็นเศรษฐีแต่จะไปเป็นเศรษฐีไปรับไปรับผลของบุญที่เราทำทานนี้เราต้องมีตัว๋วตั๋วขึ้นสวรรค์ก่อนตั๋วขึ้นสวรรค์ก็คือการมีศีลการไม่ทำบาปถ้าเราไม่รักษาศีลห้าไว้เวลาตายไปถึงแม้เราทำทานนาะมากน้อยเพียงไรก็ตาม เราก็ยังไปรับผลของทานที่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่มีตั๋วที่จะเข้าไปในสวรรค์นั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่ทำไม่เราไม่รักษาศีลเรายังทาบาปอยู่แม้ว่าเราจะทำทานอย่างสม่าเสมอเวลาตายไปเรายังต้องไปไปเกิดในอบายอาจจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นผีหรือไปตกนรก หรือไปเป็นเปรตก่อนก็ได้เพราะเรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปสวรรค์ไปรับผลบุญของเราได้ถ้าเราอยากจะรับผลบุญของเราเราต้องรักษาศีลด้วยทําทานด้วยรักษาศีลด้วยอย่าไปทําบาปอย่างน้อยก็ต้องรักษาศีลท้าให้ได้คือละเว้นจากการฆ่ารักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี พูดปดโกโหกหลอกลวงและเสพสุรายาเมานี่คือตั๋วที่จะพาให้เราเข้าไปสู่สวรรค์ได้ถ้ายังไม่มีตั๋วใบนี้ทำบุญมามากน้อยเพียงไรอย่างมากจะได้รับผลบุญก็ไปเกิดเป็นเดชะชานที่รูปร่างหน้าตาสวยงามมีคนเอาไปเลี้ยงดูอย่างดีให้อาหารการกินอย่างดี เช่นสุนัขบางตัวที่น่ารักนี้คนเอาไปเลี้ยงเป็นลูกก็มีเอาไปนอนอยู่ในบ้านนอนอยู่บนเตียงกินอาหารพร้อมกับคนไปไหนไปเที่ยวกับคนคนไปไหนก็พาไปเที่ยวด้วยนอนในห้องแอร์มีเป็นอนิสงส์ที่ที่เกิดจากการได้ทำทานแต่ยังไม่ได้รักษาศีลก็จะได้ไปรับผลของทาน แต่ต้องไปรับในรูปแบบของเดรัจฉานจะไม่สามารถกลับมารับในรูปแบบของเทวดาหรือของมนุษย์ได้ถ้าอยากจะกลับมาเป็นรับอนิสงค์ของทานที่เราทําไว้ต้องรักษาศีลห้าหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องรอให้ไปรับผลกรรมก่อนแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราทําทานไว้มากเราก็จะรับมากลับมารับผลทานของเราได้ เราก็จะมาเกิดในครอบครัวของผู้ที่มีความมั่งคัง่งมีฐานะงานเงินการทองอยู่กับเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีเพราะอำนาจของทานที่เราได้ทำมาในอดีตเช่นพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระเวชสันดรท่านก็ทำทานอย่างใหญ่หลวงพอท่านตายไปท่านก็ไปเกิดเป็นเทวดาก่อนเพราะท่านรักษาศีลห้าด้วยแล้วหลังจากลงมาจากสวรรค์ ท่านก็นมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมามีมีทรัพย์สมบัติมีประาสามฤ ด, ดูมาอยู่แบบมหาเศรษฐีเพราะการทำทานของท่านในอดีตชาตินั่นเองนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะมาขวนขวายสร้างกัดอยู่เรื่อยๆปัจจัยทั้งสี่ประการนี้ทำทานรักษาศีลตอนเย็นก่อนเข้านอนก็นั่งสมาธิ ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก่อนจะไปทำงานก็นั่งสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมหรือเ จ, เจอริญนพะิจารณาอ น, นิจจังทุกขังมโนตาเตือนตัวเราเองว่าเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนมีเกิดมีดับเช่นเราเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ในใหน่ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดา ต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆใจของเราจะได้เตรียมตัวเวลาที่เราแก่เราเจ็บเราตายเวลาที่เราต้องพัดพากจากของที่เรารักคนที่เรารักเราจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเรามีธรรมโอสถมียารักษาโรคใจ เหมือนกับฉีดวัคซีนป้องกอันโรคภัยไข้เจ็บถ้าเรามีธรรมโอสดคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะต้องพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปก็เท่ากับเป็นการฉีดวัคซีนตอนฉีดวัคซีนใหม่ๆมันก็เจ็บบ้างมีอาการรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันมันก็จะหาย และเวลาเกิดโรคระบาดขึ้นมาเชื้อโรค ก, ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยได้ฉันใดเวลาที่เราเลิกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเพราะเราไม่ชอบฟังเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลากจากของต่างๆไปแต่ถ้าเราบังคับให้มัพิจารณาไปเรื่อยๆใหม่ๆมันจะรู้สึกไม่ค่อยสบาย แต่พอพิจารณาไปนานๆเข้ามาันจะชินแล้วมันก็จะรู้สึกเฉยๆแล้วต่อไปเวลาที่เจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายใจก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจใจจะรู้สึกเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละคือยารักษาโรคคือปัญญานี่คือปัจจัยสี่ที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามสร้างกัดขึ้นมา ให้มีไว้เพื่อที่จะได้ดูแลรักษาจิตใจเหมือนกับเราสร้างปัจจัยสี่ของร่างกายเพื่อดูแลรักษาร่างกายจิตใจของเรามีความสำคัญกว่าร่างกายเพราะร่างกายของเราอยู่ไปไม่นานก็ต้องตายเราให้มีปัจจัยสี่วิเศษขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความตายได้แต่ ปัจจัยสี่ของใจนี้สาคัญกว่าเพราะใจของเราไม่ได้ตายปัจจัยสีของใจนี่แหละจะที่จะ ท, ทาให้ใจหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้ออกจากกองทุกมของการเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่มีอะไรที่จะทำได้นอกจากปัจจัยสี่ของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นจึงขอให้พวกเรามีความเชื่อที่แน่วแน่แล้วพยานปฏิบัติไปให้สุดกาลัง ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วรับรองได้ว่าไม่นานจิตใจก็จะมีครบบริบูรณ์มีปัจจัยสี่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็จะรักษาให้จิตใจนั้นมีแต่ความล่มเย็นเป็นสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดมาสร้างปัจจัยสี่ของใจให้ท่านได้นําเอาไปเพณิเพิจาณาและปฏิบัติ